เรื่องพระฉับพักคีทาหน้าเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีทาหน้าถูหน้าผัดหน้าเจิมหน้าด้วยมโนศิลาย้อมตัวย้อมหน้าย้อมทั้งตัวและหน้าคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่า